สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันที่18กรกฎาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันศรีนครินปีนี้เป็นปีสำคัญของพวกเราชาวศรีนครินคณะแพท ย, ยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กราบอาราธนาท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, นีท่านเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ช่วยสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนคริน ขอกราบนมัส ก, การท่านพระอาจารย์ครับอันเนื่องมาจากวันที่18เป็นวันศรีนครินหรือเป็นวันสมเด็จย่าของพวกเราเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทศศย์ศาสต ร, ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นพร้อมต้องกันอยากจะระดมหรือว่ากราบรธนาพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตามาภาพ ที่ในมาเกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากตึกสงอาพาดตึกสงอาพาดที่แรกเป็นความรำลึกของหลวงปู่เทศเทศรังสีเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ให้ทนหรือว่ามาก่อสร้างตึกสงอาพาดขึ้นมาแต่พอมาช่วงที่ท่านมรณภาพไปแล้วเป็นเวลาสิบกว่าปีทางโรงพยาบาลสมัยนั้นก็รู้สึกว่า การบริหารพี่น้องประชาชนก็ไม่ไม่มากเหมือนสมัยทุกวันนี้สมัยทุกวันนี้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการโรงพยาบาลรู้สึกทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนหนาแน่นแออัด แ, แล้วก็ตึกสงอาพาธอยู่ในชั้นเดียวกันกับตึกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีนครินท์ทานี้ทางโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารเห็นว่าห้องฉุกเฉินที่ว่าน่คับแคบเกินไปอยากจะขยายห้องฉุกเฉินออกไปอีกแล้วก็ตึกสงอาพาดก็ติดกับห้องฉุกเฉินก็เห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อสร้างตึก1ิกชั้นที่ว่าตึกสมเด็จยากขึ้นมาแล้วก็น่าจะย้ายตึกสงอาพาธขึ้นไปอยู่ชั้นสิบคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกัน ก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นสิบทีนี้เมื่อย้ายขึ้นไปแล้วทางคณะบวดีหรือคณะผอคณะกรรมการเห็นว่าทางโรงพยาบาลมีงบประมาณจำกัดที่จะมาเอามาใช้ในตึกสงอาพาธแห่งนี้ก็ได้ให้คณะกรรมการบางท่านเข้าไปพบอาตมาภาพอาตมาภาพไปเห็นว่าคําว่าสงไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอาตมาก็สงท่านหนึ่ง ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะนั้นจึงได้เข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาช่วยการพิจารณาจะย้ายตึกสงฆ์อาพาธชั้นที่ตึกสงฆ์หลวงปู่เทศขึ้นไปอยู่ชั้นที่10ก็เป็นอันว่าตกลงกันได้หาผู้รับเหมาหรือหาสถาปนิกออกแบบทั้งชั้นชั้นสิเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 1,750 ตารางเมตรในชั้นนี้ แล้วก็มีห้องพิเศษแล้วก็มีห้องห้องพระด้วยเขา่าเป็นชั้นสงศ์โดยเฉพาะอ่าแต่ีนคณะกรรมการก็บอกกล่าวกับอาตมาภาพว่าจะตุปัจจัยที่จะมาใช้ในตึกสงอาพาธนี้ก็คงไม่เพียงพอถ้าว่าพระคุณท่านที่จะมีศรัทธาญาติโยมหรือว่าคณะสงฆ์ที่จะมาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางโรงพยาบาลก็ จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะนั้นอนตาตมาภาพก็เลยได้ชักชวนญาติโยมพี่น้องประชาชนตลอดถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดทั่วภาคตะวันออกเสียงเหนือตลอดถึงเจ้าอาวาสได้มาร่วมกันอทอดผ้าป่า เ, เมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นอันว่าตึกสงฆ์อ า, าพาธก็คงจะเป็นไปได้ดีในระดับหนึ่งถ้าหากว่า ถ้าว่าเพียงพอไหมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงถ้าขาดก็คงจะไม่ขาดมากถ้าเกินก็คงจะไม่เกินมากแต่ถ้าหางว่าต่อไปในอนาคตถ้าว่าพระสงฆ์ที่มารับการรักษาจะต้องได้ใช้ทนุนค่าเก็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์บางองค์ที่ท่านมาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกอย่างเนี้ยเมื่อเข้ามา ถึงจังหวัดขอนแก่นท่านเก็บไข้ได้ป่วยท่านก็ามารักษาแล้วเอกสารของท่านไม่พร้อมแต่ท่านก็เป็นพระไม่จุธิท่านมีแต่เมื่อรับการรักษาแล้วก็ทําให้ทางคณะแพทย์ศาสตร์ไม่รู้จะเรียกจากรัฐบาลหรือว่าเรียกจากเงินส่วนกลางมาได้อย่างไรก็ต้องอาศัยเงินกองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างเสร็จเมื่อสร้างตึกสง่าพาดเสร็จแล้วก็คงจะมีกองทุนสำรอง สำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยเพราะนั้นจึงขอแจ้งข่าวมายังพี่น้องประชาชนญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์ทุกหมู่เหล่าให้การสนับสนุนกองทุนที่จะมีขึ้นเมื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมี3กองทุนกองทุน1ก็คือกองทุนที่มีอยู่แล้วก็คือกองทุนหลวงปู่เทศเทศรังสีกองทุนที่2ี่ว่าจะ ตั้งขึ้นมาคณะกรรมการเห็นพ้องต้องการว่าควรจะตั้งเป็นกองทุนชื่อว่ากองทุนคณะสงฆ์และกองทุนหนึ่งขึ้นมาอีกว่ากองทุนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะมี3มกองทุนที่จะดูแลคณะสงฆ์เพราะนั้นขอบอกกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชน ท, ทุกท่านให้การสนับสนุนตึกสงอาพาดแห่งนี้ด้วยและก็พร้อมกันตึก1ิกชั้นหลังนี้ในอุปกรณ์ใน ้องยังขาดตกบกพ่องอยู่มากแต่ว่าท่านผู้ใดผู้มีที่ไม่เดือดร้อนพอมีอันจะกินพูดง่ายๆอย่างนั้นคือไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ขอให้สนับสนุนตึกทั้ง19ชั้นหลวงพ่อว่าจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าได้ช่วยเหลือประเทศชาติของเราถ้าว่ามีตะหมออย่างเดียว ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนพวกเราเข้ามาบริการก็จะได้รับความลำบากไม่ได้รับความสะดวกเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้ของหมอไม่เพียงพอแต่าทางว่าพวกเราพี่น้องประชาชนคนในชาติให้การสนับสนุนแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็จะมีกำลังที่จะรักษาพวกที่มารับบริการจะได้รับความสะดวกสบาย และกับพร้อมกันหลวงพ่อที่เป็นพระก็จะจักกล่าวเตือนถึงพี่น้องประชาชนในธรำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าขยาวยธรรมมาสร้งางฆราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพาน ในวันเดือน6กเพนนนั้นในใกล้รุ่งวันนั้นก่อนที่พระเจ้าจะปิดพระโอษฐ์หรือไม่พูดพระองค์ได้ตัดคํานี้ออกมาคือสั่งเสียพวกเราให้ยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ไม่ให้ขาดตกปกพ่องในการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่าให้ขาดตกปกพ่องให้มีความบันขยายอดทนก็พร้อมกันก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนคนในชาติถ้าว่าพอเป็นไปได้แล้วก็อยากจะให้เกื้อกูลหนุนกัน คนในชาติก็จะได้รับความสงบร่อมเย็นเป็นสุขทางว่าพวกเราให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะ น, นั้นขอกล่าวอวยพรให้พี่น้องประชาชนคนในชาติด้วยอํานาจขุนภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองพุทธบริษัททุกๆ ท, ท่านจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจประถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้ สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการ